ในการปฏิบัติต่อจิตของตนที่เป็นไปต่างๆท่านก็ให้นำพโอชงมาใช้ด้วยและหลักการในเรื่องนี้สามารถนำมาใช้ในการประคับประคองจิตที่ยังใหม่ต่อสมาธิให้มีสมาธิกล้าแข็งยิ่งขึ้นขอยกพุทธพจน์ในอักกิสูตสั่งยุตธนิกายมหาวารวักมาให้ดูดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสมัยใดยจิตหดหู สมัยนั้นไม่ใช่กาละสำหรับเจริญปัตติสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตที่หดหูนั้นยากที่จะให้ฟื้นขึ้นได้ด้วยทำเหล่านั้นเปรียบเหมือนว่าบุรุษต้องการจะโหมไฟกองเล็กให้ลุกพโพลงเขาใส่หญ้าสดโคไม้สดไม้สดลงไป สาดน้ำเข้าไปและโรยฝุ่นลงไปในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถโหมไฟกองเล็กให้ลุกโผล่ขึ้นได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรตัสตอไปว่าสมัยที่จิตหดหูก็ฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นเป็นกาละสำหรับเจริญธรรมวิจัยสมโพชง วิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตที่หดหูนั้นปลุกให้ฟื้นขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนว่าบุรุษต้องการจะโหมไฟกองเล็กให้ลุกโผลงเขาใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งลงไปเป่าลมเข้าและไม่โรยฝุ่นลงไปในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถโหมไฟกองเล็กให้ลุกโผล่ขึ้นได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าได้อย่างนั้นพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าสมัยที่จิตหดหูก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่ใช่กาละสำหรับเจริญธรรมวิจัยสมโพชงวิริยะสมโพธชงปีติสมโพชชง ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนว่าบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งลงไปเป่าลมเข้าและไมร่รอยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถดับไฟกองใหญ่ได้หรือไม่พิสุจ์ทั้งหลายทูลตอบว่า ไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าสมัยที่จิตฟุ้งซ่านก็ฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นกาลสําหรับเจริญปัสสติสัมโพชฌงสมาติสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้โดยง่ายด้วยธรรมเหล่านั้น เปรียบเหมือนว่าบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาใส่หญ้าสดโคไหม้สดไม้สดลงไปสาดน้ําเข้าไปและโรยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถดับไฟกองใหญ่ลงได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าได้อย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าสมัยที่จิตฟุ้งซ่านก็ฉันนั้นเหมือนกันส่วนสติ เรากล่าวว่ามีประโยชน์ในทุกกรณีพรจงเจตน์นี้ในบาลีท่านแสดงเป็นความหมายของภาวนาประทานคือความเพียรในการทําให้เกิดกุศลธรรมและเป็นยอดของประทานทั้งหลายเป็นภาวนาพละเป็นวิธีกําจัดอาสวะด้วยภาวนาเป็นกรรมชนิดไม่ดําไม่ขาวซึ่งเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นอปริหานิยธรรม คือทมที่เป็นไปเพื่อความเจริญทายเดียวไม่มีเสื่อมเลยและเป็นมรรคาให้ถึงอสังคตะคือนิพพานเช่นเดียวกับโพธิปัจฉิยธรรมอย่างอื่นๆ อ, อันหนึง่งพึงสังเกตว่าเฉพาะธรรมวิจัยสัมโพธชงท่านถือเป็นความหมายหนึ่งของสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระและเป็นโพธิ